บทภาชณีติกะปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นของสงฆ์ปูหรือใช้ให้ปูที่นอนเมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บที่นอนนั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอาบัติปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุไม่แน่ใจปูหรือใช้ให้ปูที่นอนเมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บที่นอนนั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอาบัติปาจิตตี วิหารของสงฆ์ภิกษุสําคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลปูหรือใช้ให้ปูที่นอนเมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บที่นอนนั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอาบัตปาจิตตีทุกกฎ117ภิกษุปูหรือใช้ให้ปูที่นอนไว้ในอุปจารวิหารในโรงชัน้นในมณฑบหรือที่โคนไม้เมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บที่นอนนั้น หรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอบัตทุกฎภิกษุจัดตั้งไว้หรือใช้ให้จัดตั้งเตียงหรือตั้งไว้ในวิหารในอุปจารมิหารในโรงฉันในมนดบหรือที่โคนไม้เมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บเตียงหรือตั้งนั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอบัตทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุสําคัญว่าเป็นของสง์ต้องอบัตทุกกฎวิหารส่วนบุคคล ภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุสำคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลต้องอบัตทุกกฎเพราะเป็นของส่วนบุคคลของผู้อื่นวิหารเป็นของส่วนบุคคลของตนไม่ต้องอบัต